ก็มิโอกาสพบกันตอนเช้าตอนเย็นอาศัยการทำวัดสวดมนตนด้วยพระได้เป็นมาแล้วตั้งแต่สมัยขั้งพทธเจ้าพุทธกาลตีสามตีสองพระพุทธเจ้าจะมองดูสัตว์โลกว่าผูใ้ใดอยู่ในตาข่าย ที่จะฟังทมก็มองเพื่อจะไปช่วยปีสีประชุมสงฆ์ธรรวัดสวดมนต์สนพระสนสงฆ์ปห้าางแผนงานจะไปทางไหนโปรดใครออกปองเช้าออกเป็นนาบารนมีทบาทก็คือไปโปรดสัตว์ ไปช่วยคนได้เป็นมาแล้วผู้เจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ก็เป็นที่เราจะมองเห็นทิศทางเอามาสอนตนเตือนตนท่า น, นเราหลงผู้ไม่หลงก็มีเราทุกข์ผู้ไม่ทุกข์ก็มีเราโกรธผู้ไม่โกรธก็มีอย่าไปเป็นชวนตัว มองเผื่อหน้าเผื่อหลังเอาอย่างแล้วก็มีพระธรรมคำสอนในรูปนำมาใช้กับชีวิตเราที่พูดเจ้าทรงสแสดงเป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์เวลาเราทุกข์มันก็มีสิ่งที่ออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปานิธิพานนี่คือพระธรรม ไปเลาะในเบื้องต้นไาเลาะท่ามกลางไาเลาะในที่สุดอย่าโทษทิ้งหน้าที่ตุเลาะของเราในเรื่องนี้เอาใจใจมีความเพียรมีสติออามาปารบออกมาประกอบเพื่ อ, อยังกุศลที่อื่นที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นกอ ละกุศลุ่นที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเรามีความเพียรพยายามความสำเร็จก็มีอยู่ที่นั้นยิ่งเรามีสติมันก็รู้จอบใช้ทันทีต่อหน้าต่อตามีสติคำสัญญาถอนความพอใจและความไม่พอใจออกได้ ก็เห็นอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่ทําให้เรามีการกระทําในที่มาขนาดที่มันเกิดขึ้นเลื่อมามีความเพียรมาศึกษามาปฏิบัติมหัดมันก็เห็นเห็นความหลงเห็นความรู้ภาษาที่เราสองคนเคยก็คือรู้สึกตัว เราลึกได้อยู่ว่าเวลานี้เรากำลังยกวัวสร้างจังหวะกำลังเดินจงกรมรู้สึกเราลึกได้อยู่สิ่งที่มันไม่ใช่ความรู้สึกลึกได้มันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้ น, นมาแจงหน้าแจงหลังแล้วก็มีสมชัญญารู้ว่ามันหลงไปแล้วเมื่อรู้ว่ามันหลงก็ถอนออกมาหาความรู้ตอนเนี้ย สอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นมันก็เป็นคนละอันกันอย่าทอดทิ้งอย่าวางธุละตรงนี้จามีธุละขันธะธุละจะต้องหอใจใส่สักหน่อยวิปัสนาธุละตามควาหลงให้เป็นความรู้ตามความผิดได้เป็นความถูก เรียว่าวิปัสนาธุละขันพ้นไปบ้างอันหลงพ้นจากความหลงได้บ้างหมุนทุกข์พ้นจากความทุกข์ได้บ้างนี่เป็นวิปัสนาธุละวิปัสนาคือพ้นภาวะเก่าภาวะเดิมหัดตรงนี้ให้เป็นไม่ใช่เรียนรู้บุคัดให้มันเป็นทำให้เป็น เวลามันหลงให้รู้สึกตัวให้เป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวความรู้เอาความรู้สึกตัวไปเกี่ยวห้องทั้งหมดแต่ว่าดูรอบๆมันมีอย่าปล่อยทิ้งอย่าโทษทิ้งถ้าความหลงเป็นความหลงความหลงก็ไม่ไม่อยู่แค่นั้นก็ขยายไปอีกเป็นเหล่ากอเป็นความโกรธความทุกข์ อิจฉาเบียดเบียนเป็นกรรมไปเลยแม้มันน้อยนิดที่แรกแรงกลมหลงเฉยแต่ถ้าปล่อยทิ้งไปก็หลงไปใหญ่เป็นอะไรเป็นภบเป็นชาติชรลาโมณะโสกปฏทวัตุกเคยเจือเจ็บตายไปโน่นไม่ใช่เรื่องน้อยถ้าเราไม่หลงเรารู้เนี่ยมันก็ไปทางไม่มีชาติไม่มีชลาไม่มีโรณะ ไม่มีเกิดเจ็บเจบตายมันก็ไปทางโน้นเอกถ้าเราไปเจ๊ตรงนี้ไม่หัดตรงนี้ไม่กลับตรงนี้มันก็ไปคนละทิศละทางตึงหัดทําให้มันเป็นงั้นเราเดินทางถ้ามันผิดก็หยุดจะเดินต่อไปกลับมาถ้าผิดแล้วยังเดินต่อไปอย่มันก็ไปไกลเพชาเสียเวลา แมทางมันสะดวกมันไม่ใช่ถูกจดหมายปลายทางก็งกลับมันถึงได้ตอนที่เรากลับรู้จักจกลับไม่ใช่ไปแต่พื้นๆปฏิบัติคือกลับเอาจริงๆการเดินทางในด้านภาวนาสตินี้มันเป็นการกลับไม่ใช่ไปการกลับมันทำให้ถึงการหยุดมันทำให้ถึง มันหยุดตรงที่มันควรหยุดเช่นมันโกรธหยุดโกรธทามันทุกข์หยุดทุกข์ทำหลงหยุดหลงถ้ามันหลงเป็นความหลงไม่หยุดแล้วก็ไปสู่การเกิดเจ็บแยบตายถ้าไม่ไปถึงการเกิดเจ็บแยบตายก็หยุดหยุดดูมันเห็นมันเป็นเวทนาสักะเวทนาอย่างเนี้ย ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในเวทนาให้ค่านิดหน่อยจนไม่มีค่าเลยในเวทนาถ้าเราไม่หยุดเวทนาก็มีค่ามากจนเราตกเป็นธาตของเวทนาเมื่อมีค่ามากตกเป็นธาตแล้วต้องซื้อเอา ข, อข่มขืนเอาก็องวยเอาป้นเอาตูเอากองเอาก็ ดู้อด้านขึ้นไปเรื่อยๆเยวทนาไม่ใช่สักว่าเวทนาเสร็จแล้วมีค่าให้ค่ามากจนชีวิตตั้งชีวิตตกเป็นธาตของเวทนาตนคนติดยาเสพติดติดกาวติดเทนเนอร์ติดบุหรี่ติดเหล้าติดรูปลสกลิ่นเสียงไปดูแถวหอหลมโพง เวลาเราขึ้นรถไฟพวกติดกินเนี่ยพวกติดเกาติดกินเหม็นก็พาไปนั่งนมแมมอยู่แถวห้องน้ําในหัวลำโพองอันแสดงว่ามันติดเหม็นมันก็ติดได้เหมือนกันที่ไม่เหม็นมันไม่อยู่มันชอบเหม็นเหมนไม่เหม็นก็หามาซื้อมาเอา มันติดแล้วระไม่หนึ่งไปสอนทบที่ชังลายกลับมาก็นั่งรถทัวร์กบมาพอถึงแถวเด่นชัยนะ่มีคนคนหนึ่งขึ้นกลางทางแถวเด่นชัยเราก็นั่งอยู่แอบๆบสุดท้ายหลังเบาหลังเป็นที่ลับไม่ยีดกลางใครแล้วก็ ดูตัวเองไม่ลงลังละคนนั่นขึ้นไปก็ก็ขอคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไปบอกดวงตาออกมาสักหน่อยเขาจะไปนั่งมุ ม, ม, มโน้น แ, แล้วก็ตักเข่าของเราออกไปออกไปแล้วก็ออกให้เขาไปนั่งพอเขอนั่งสักหน่อยเอาผ้าคลุมหั ว, ห ว, วก็ดมกาวแล้วก็เหม็นใครก็ แหม็นบวกเหม็นก้าวเหม้นกา้าวไข่ดมกา้าวไข่ดเก้าวโวยโวยขึ้นไอ้คนนั่งกันเอาผ้ากุมัวนั่งกมดมข้าวอยู่แล้วขับรถโดยสารก็จอดรถไข่ดมนะคนนั่งกนน็นั่งอยู่นะั่นนะไปดึงมันลงมาว <c oughs> อ้ที่สุด <c oughs> ไปจับเข็มดึงลงมามันก็ไม่กลัวใครเลย ดมเฉยนได้อมดมได้ที่กับ น, น้ำมูกน้ำลายไหลโ ย, ยดเยียดๆๆไม่ด้วยจักอายานเลย น, นั่นคือมันไม่ใช่ว่ามันมันนิดหน่อยเวทนาเนี่ยไปไกลคนท่องชั่วเร็วซามได้เพราะว่าเป็นธาตุของเวทนาหรือว่าติดคุกติดตางเป็นทุกข์ก็พอเวทนานี่เอง เราจึงมาเห็นมันให้ฆ้ามันเวทนาสัตว์ก็เวทนาไม่ใช่สัตว์ปกคนโตตนหล่ อ, อขอเนี่ยถอนถออกหมดเพราะหยุดมันถึงมากถึงหนาไม่ใช่ใบตะพุ้ตะเพื่อนะหยุดไม่เป็นมันก็เย็นเมตตาทางเราสวดนะทำตรงนี้เรียกวกรรมฐานปฏิบัติคือเปลี่ยนรูปจะเปลี่ยนถ้ามันรูปจะเปลี่ยนมันก็ พหลงพลังเหมือนพ่อค้าสองพ่อเทียนพูดเรื่องพ่อค้าพ่อค้าขายปอพ่อค้าขายโอ้ยต้องรถ10บล้อบรรทุกไปขายปอก็ใช่รถเจล้อบรรทุกไปเป็นรถลถต้องลงทุนซื้อรถต้องทุนสร้างฉางเก็บสินค้า มันก็พลุงพลังพอค้าขายเพชรขายพลอไม่ต้องเอาสิบล้อใส่กระเป๋าแจมบอลเพียงกระเป๋าเจมบอนถือเบาๆได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนไปขายแล้วแต่ว่าเทียนคุยเรื่องนี้มากท่านบอกว่าทันเหนรเงินล้าเงินพันเงินหมื่นไม่เป็นหานะเป็นแต่เงินหมื่นเงินแสน หาอย่าไงไรรถเรียล้ ก, ก็มีครั้งสินค่าก็ไม่มีบ้านเชียงคานแถวนั่นทำไร้ายตืดดูเจ็บไฟพ่อเทียนก็ไปถามดูจะขายเท่าไรเพราะไอ้นี่จะขายกิโลเท่าใดตันเท่าไร่ก็ข้าเขาซื้อเท่าไร ก็ว่าขายเท่านั้นเต่นี่พ่อค้าให้เท่านั้นบาทถ้าใดเท่านั้นจะขายรังลังรออยู่พ่อเทียนก็บอกว่าถ้าให้สมมติเขากิโลละสิบสี่บาทหลวงพ่อเทียนให้สิบห้าบาทแต่ต้องขายให้หลวงพ่อเทียนทั้งหมดคนในเพอเนี่ยในบ้านเนี่ยก็ไปถามเจ้านั่นเจ้านี้ว่าจะขายจะขายจะขาย มีผ้ายี่ร้อยจีพันตันบอกว่ามีเท่านั้นร้อยมีเท่นี้พันอาจะซื้อให้แต่พ่อเถียนพอสอบสินท่าเลียวแล้วประมาณจีตันจีตันรวบรวมดูแล้วเจ้าน่นเท่านั้นเจ้านี่นนเท่านี้ก็ไปหาพ่อข้าคนกลางจะซื้อเท่าไร่ผ้ายีวนี่ซื้อเท่านั้นถ้า จะเอามาขายให้เท่านี้จะได้ป้ายเป็นเสีนเฉนล้านล้านตันจะซื้อไหมพ่อค้าก็ตกลงซื้อถ้ามาขายให้หมดหลวงเทียนก็ตกลงกับพ่อค้ามาบอกบอกให้พ่อค้าไปเอาได้ป้ายเอารถไปใส่เลยหลว่อเทียนก็ไม่มีฉางก็บอกก็รถไปแล้วก็นี่อยู่นี่ พันตันหยวนร้อยตันสองรอยตัน ก, ก็คอยทุกโอ้ยโอ้ยเพราะ ว, ว่าหลวงพ่อเทียนว่ากินน้ําชาแก้วเดียวก็ได้เงินแฉนแล้วหมลวงพ่อเทียนคุยอย่างนี้ไม่เหมือนพ่อค้าขายปอขายอ้อยต้องใจรดจิบล่อหลวงพ่อเทียนมือเปล่านี่เงินร้อยเงินพันไม่เป็นฝันลงพันหลังนี่ก็คือการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกัน่ะ บางทีก็เชื่ออะไร ง, งมงายไปเะพืะ่อเถื่อนนั่นดีอันนี้ไมดีอันนั่นชอบอันนี้ไม่ชอบเอาจริตทิสัยของตนไปเกี่ยวข้องทั้งหมดเอาสมงองเอาความเห็นมันก็ต่างกันอยู่เป็นบางคนปฏิบัติกรรมาฐานเปิกมาแบบ น, นั่นแบบนี้ต่างนี้ชอบกับทิศใจของเราบางทีคนนั่นก็มัชอบอย่างนี้ชอบแบบนี้ บางทีอาจารย์กรรมฐานก็ต้องสอนว่าใครมีโทสัจริตก็ให้บริกรรมว่าแผ่เมตตาสัพพจิตตาถ้าไปมีราคะจริตให้มองถึงอาสุภกรรมฐานแ้วใครมีโมหะจริตก็บริกรรมว่าพุทธโธพุทธโธตามเจตน์นิสัยของคนนั่นๆหรือเพกสะบาตะเพิกสมาธิ ในรูปแบบต่งตางๆบางทีก็สอนกันตามความคิดเห็นของเขาบางคนก็ชอบมองนิมิตมองกระสินเลากระสินมองนิมิตชอบเล่นนิมิตถ้าเห็นนิมิตทางตาทางหูทางจีนหานิมิตให้ได้บางทีก็เพ่งกระสินเพ่งทูปเพ่งเทียนเพ่ง อะไรต่างๆบางทีก็พิ้งขี้กดเคยหัดตองโเนะเรานอนเวลานอนเราเพิ้งขี้กดเรานอนกลางกดกดมันก็ไม่อยู่ตรงตีนเะนี่ยมันก็เหลีไปเลยแบงก็มองเวลมองเวลม่นก็พิบตาแล้วก็ไปมองเป็นชั่วโมงสองมองก็ไปเอาไปมาไปกลับมาตายหลีไปเลย <laughs> มันก็พิ้งไปแบบนั้นโ อ, อ้ไม่ถูก ไม่ถูกมันไปทางนอกกันแต่หัดลองดูมองแสงอาทิตย์ตอนสองโงเช้าไม่คลิบตาอันนี้ก็มีจะน้ําตาไหลนีก็มีมองกสิณเอาอันเดื่นมาเป็นนิมิตอัน น, นี้ก็มีเหมือนกันบันทีเพ่งหายใจเข้าพุทตามลมเข้าออกตามลมเข้าออกตามลมเข้าหายใจเข้าพุพุท เข้าโถรูตามลงไปตามลงไปตามลบไปถ้าอยากให้ตัวแข็งแต่ว่ามันตามลงดีแล้วตามเลยกัจจ้นเจอเลกหน่อยตัวแข็งเลยเคยสอนคนได้แบบเนี้ยกดทับไปเลยตัวแข็งไปเลยการเือนันตัวแข็งบางทีสอนกันผิดแก้ไขกันไม่เป็นมาเรียกเราไป บางคนสร้างจบะเพ่งเกินว่ไอยกไออกม่ออกมือมือติดตั้งแต่ทีสามคนบ้านใกล้กันเป็นโยมผู้เท่าเหมือนเนื้อเหอมือนนั่งอย่านีน้แต่ปฏิบัติสร้างไปสร้างไปเพ่งเกินไปมือติดไม่ได้ทำมัดเลยยกปมไม่ออกแต่เม่ตาแล้วก็แล้วตรวจน้ําแล้วก็แล้ว เป็นเบรนไปกรรมอะไรจนเครียดไปเลยตอนมาเช่าเราก็ไม่เห็นโยมมาฉาดเท้าตอนเช้าก็ไม่เห็นโยมอีกพอฉาดเช้าเสร็จเราก็เดินไปทางกติโยมอยู่เห็นนั่งอยู่โอ้ยมาช่วยด้วยมาช่วยด้วยสองพ่ออาจารย์อาจารย์มาช่วยด้วย ไม่รู้เป็นเบนมกรรมอะไรมือติดตั้งแต่ที่สาะยกไม่ออกเราก็หัวในใจหัวเลาะในใจแจ้งว่ามันเพ่งกันไปเราก็ไม่ไปพูดเรื่องมือยกไม่ออกมันเป็นไรเปรีย麦ตาแล้วก็แล้วตรวจน้ําแล้วก็แล้วมาร่วบเป็นเบนมกรรมอะไรจากกินข้าวก็ไม่ได้ไปอยากไปขับไปถ่ายก็เมื่อไม่ออกลุกไม่ขึ้นเลย แล้วก็ไปขอชื่อพ่อใหญ่กาบกันก่นบ้างใกล้กันพ่อใหญ่พ่อใหญ่มีลูกกี่คนมลูกห้าคนคนหนึ่งมันตายเหลืออยู่สีคนแต่นี่ลูกสาวลูกไพ่เลี้ยงดูหรือว่าใครเป็นคนดูแลลูกเขยลูกสาวเป็นคนดูแลมีหลานกี่คนมีหลานสามคน คิดถึงหลานไหมคิดถึงอยู่แต่ว่าวางหนะ้ายิงหรือเปล่าไราใช่สี่คนหรือหลานสามคนจะไงเลืมหลานไปแล้วพ่อใหญ่แล้วก็มีคนนั้นคนนี้ก็มีสามคนตอนนี้นายนั้ น, เ ด, น, นเด็กชายนั้นเด็กชายนี่ไม่ใช่อาจจะมีสี่คนนะลืมหลานแล้วมาใช่ไี่ก็ลืมหลานแล้วไม่ถูกต้องไหมสี่คน อาจารย์ก็เคยเห็นบ้านเดียกใกล้ๆกันน่ะอาเช่นี่ก็ลืมหลอนแล้วอายุเท่าไหร่แล้วน่อายุเจ็ดสิบปีแล้วโอ้ยลืมไปแล้วไม่ลืมไม่ลืมผมมีหลานเชื่อสามคนเ <laughs> นยยกโไปยีคนนั่นมีคนนี่หลังตาก็นองเห็นแสดงว่าออกมาแล้วพอคุยกันไปคุยกันมา อ้ามือผมโอบกกอะไรวะไม่ ด, ดูมันเพ่งเกินไปก็ไม่ถูกบางทีจริงจังเกินเกินไปจนหน้าดำำําครืเขียดทํำไม่ได้สบายสบายทำอะไรถ้าทําพอดีมันมีมรรคมาปฏิปทาดมยิ้มไว้ในใจยาายากเยาง่ายยาวควายากเยาวความง่ายยาวความผิจยาความถูก เอาเหตุเอาผลอกกรรมรุ่นล้วนเนี่ยลูกึกตัวเนี่ยทำมาพอไปลูกึกตัวไปมันหลงก็อย่าให้ความหลงไม่ค่าถือว่าผิดแล้วมันรู้ก็ถือว่าก็รู้ไม่ค่าถูกแล้วเมื่อมันถูกก็พอใจเมื่อมันไม่ถูกก็ไม่พอใจ มีสัมจิยะถอนความพอใจแล้วก็มากระจายออกมามารู้สึกปกติธรรมดาเนี่ยเนี่ยที่ถึงถึงผลมาใช่เอาจริงเอาจังจนหน้าดำความเขียดเด้วก็เกิดเขียดได้งหงาหอนอนได้ยากได้เบื่อหน่ายขายความเขียดได้บหงกันถ้ามองถึงความเปลี่ยนที่โอ้ยไม่ช่วไม่ช่วย่ยอมแล้ว มองถึงความเพียนเนะไม่ใช่อะไรสุดหัวใจเอาใดที่เราได้ลั่งยกมางคนสร้างจังหวะฉันข้าวเสร็จแล้วเดินไปกติของตนวังบาทนั่งสร้างจังหวะมันสุดหัวใจมันกู้ดีนะอยากให้พ่อมาดูอยากให้แม่มาดูลูกชายของแม่ลูกชายของพ่อบางทีเดินจะกลมมาสุดหัวใจ บางทีเราตั้งไม่เปลี่ยนตั้งใจไม่เปลี่ยนก็ยากจะเดินเท่าไหร่บางคนก็เอานิมิตเป็นเครื่องหมายจุดทูบไว้หนึ่งดอกถ้าถทูบไปหมดจะเป็นลูกเ้าทุบหมดเมื่อไหร่จึงจะลูกมก็มีเหมือนกันห้องตาเคยทำแบบนี้เหมือนกันเพื่อหัเตัวเอง เมื่อตั้งโทษไว้จุดโทษไว้จิตใจมันก็ไปมองแต่ทุกเมื่อไหนทุกจะหมดล้วงเอาาวประแล้วก็คิดไป <c oughs> อลืมไปแล้วลืมเพราะสัจจะก็ง่นะตั้งใจผิดผิดก็ง่ายเอาจริงอาจังกับอันอื่นมากําหนดเราให้จริงอื่นมากําหนดเราบางทีก็ถาะเดินนานเท่าไหร่ล้างนานเท่าไหร่เดินชาดันไหวยอย่างไง ถ้ดีไหมไปดีไหมที่ก็ถามเรื่องอย่างนี้อะมันเป็นเรื่องส่วนตัวถ้ามันง่วงนอนก็ทำไปไวแรงๆจังหวะมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่ในจังหวะที่เราทำหลวงพ่อทียงสอนเรา เราบง่วงก็ทำา ง, งนอกรูปแบบก็ได้ออยกหลังหลังลองดูสิหัยใจดูมันจะปลุกตัวให้ตื่นขึ้นมาเอานอกรูปแบบอีกนั่งกราบพระเจ้าพระเจ้าหนูนต่อนังเราเรานั่งต่อหน้าพระพักของหวงกราบพังเด็กแล้วกราบพังที่สองใจใจ สองข้างหน้านอกเลยไปเมื่อใส่ใจมันไม่ไปกดทับความง่วงกันไปเชรียดเกินไปวางมาทําออกงาชั่งหน่อยอย่าเข้าเกินไปรู้จักออกรู้จักถอยพอดีคุมเกินไปก็เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากก็เลยผิดผิดถูกถูกไปอย้าไปคุมกันไปทำพอดีพอดีให้พอดีกับตัวเองอันช้าอันไวไม่เกี่ยวข้อง ตามเหตุตามปัจจัยที่มันเกิดขึ้นกับเราบานทีเดินช้ามันคิดมากเดินไปไวชั่งหน่อยเดินไวัหน่อยถ้าเดินไวมันเพ่งกันไปกับช้าชั่หน่อย ค, ค่อยๆเดิน ม, มองก็จะมองไกลกันไปให้มันได้ฉากสายตาเราก็ายืนก็ความสงของยืนมองไปแ้านั่งความสงของนั่งมองไป มันจะมีความพอดีพอดีของทุกคนเร่มมัดเขมาเวลานี่หลงตาก็เดินแข่งแขนอ่านเช่าหนังชั่วโมงเป็นกรรมฐานแบบโยคะไปในตัวเพราะสุขภาพไม่ดีแข่งแขนอาศัยการแข่งแขนเนี่ยทำให้เราดีวันดีคืนขึ้นมาได้บ้างใครจะทำตามก็ได้ไม่ทำก็ไม่เป็นไร ไม่ได้สอนเราแน่เราสอนเราเองเป็นไอ้บทที่เราช่วยตัวเองหัดมาตั้งแต่ยงพยบาลให้จานนอดสูแขนขึ้นอดว่าชั้นห้าไปเดินอยู่จงกรมหัดเดินหัดวิ่งเดินไหวๆแข่งแขนมองเห็นสวนลุมก็สงอาทิตย์ขึ้น ในแสงแดด ก, กันนอนให้แดดถูกซะหน่อยขยันกว่านี้ใช่ไหมพวกงพื้นใหม่ๆตื่นขึ้นมาอาบน้ําตอนเช้าน้ำอุ่นจอโน้ตก็ต้มน้ําให้เอาเท่าสองเท่าจุ่มน้ําร้อนนั่งดูเจ้า ก, ก่อนแล้วก็อาบน้ําอุ่นเดี๋ยวนี้ไม่อาบแล้วตอนเช้าขี้เกียจแล้วไม่ไม่ขยันเมื่อก่อนแต่ก่อนขยันกว่า น, นี่นะ ย่งกลมเน่ยแจงแขนบางคนแจงไม่เป็นให้มันได้จังหวะ ก, กับการน้องของเราน่องของเราเนี่ยน้องของเราเนี่ยกับแขนของเราให้มันได้จังหวะจะย้อนก็ดีบางคนไม่ถูกจังหวะ ก, กันทาไม่เป็นไม่ไม่ดีต้องทำให้เป็นเราก็หัดจากสภาพของสังขารร่างกายของเราเนี่ยหร้าตาเลยหัดเดินจะ ก, กรมแบบแขยงแขนตอนเช้าชั่วโมงนึง ถ้าทําให้แข็งขันสักหน่อยชข่าโมงวินาทีละเกา้าสองเกได้แข่งแขนนับไปเนะี่ยสองเ้าได้แข่งแขนข้างหนังถ้าวินาทีละเกา้าเขโมงหนึ่งก็ได้ววหลายแปดพันเก้าบางทีก็เอาจนถึงหมื่นเก<ะ>้าเดินลอกสะอธิธรรมจตฐาน เจ้ามองกววๆเลยเหมือนก้าทุกวันทุกวัทกนทวนเดินล้วก็มาอาบน้ำตอนเช้าเดี๋ยวนี้ไม่อาบน้ำเลยมันขี้เกียจยังไงไม่รู้อมเมา่แล้วีนนการฝึกตนสอนตอนตามเหตุตา ม, ตามปัจจัยยิ่งเราแก่เนี่ยยิ่งสนุกนะอย่าไปเอาความแก่มาอ้างเก็บป่วยก็สนุกเลยสนุกเก็บป่วยไปเลยทีเดียวนะไม่ใช่เรื่องทุกข์ไม่ใช่เรื่องลาบาก เป็นความสนุกสนานคนมาถามบาทีคนมามองหน้าเราน้องให้ว่าไม่ใช่สีคนเป็นเดินของมะเล็งแล้วก็ฉายลังสีไม่กันหมดเลยทั้งตัวอามาลองให้กับเราทำไมเราไม่ได้ทุกเดือนล่องละสนุกสนานเต็มที่แล้วบอกคนเขาก็ไม่เชื่อเราเรามองหน้าเราก็ล่องให้หละบางคนอ่านกันกออ็หน้าตั้งแต่นี้เลยไป มันหลงโลกสักตัวอย่าเป็นผู้หลงเกิดนวันหลงอ๋อใช้ความเห็นเนี่ยมันเฉลยได้ทุกอย่างฝึกตนเนี่ยสอนตัวอย่างอย่างนีะให้เห็นมันหลงก็เห็นอย่าเป็นผู้หลงมันทุกข์ก็เห็นอย่าเป็นผู้ทุกข์มันสุข ก, ก็เห็นอย่าเป็นผู้สุขมันเบื่อก็เห็นอย่าเป็นผู้เบื่อมันขยันก็เห็นอย่าเป็นผู้ขยันที่ออกมาดูอย่างเนี้ยปฏิบัติธรรมมันจึงไป อันนี้มันอยุดแต่อันหนึ่งมันไปมันก้าวไปแยงไปโจมตีโจผลในที่โจดก็หายทีเดียวล่ะเหมือนเห็นเนี่ยมันไม่เป็นมันก็ก็นี่ผ่านพระในผพานมีฝั่งถ้าเป็นมันมีอย่างนี้มันต่ํากว่าฝั่งลอยคอมันขึ้นไม่ได้ถ้าเห็นแล้วมันเทียบท่าเลยมันเทียบท่าละเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์พ้นทุกข์ เป็นคนโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นคมโกรธเนี่ยมันก็เทียบท่านไงถ้าเป็นเรามันต่ําเพราะฉะนั้นฝั่งพันิพาลมนุษย์สอนยากลุ้งโละอยู่ตาอฝั่งเนี่ยเป็นอยู่นะเป็นสุขเป็นทุกข์นะผู้ที่ถึงฝั่งนิพพานมีมีไม่มากนะขึ้นมาเห็นนั่นก็นอันนี้ยังจะเหลือการเคยดเจ็บเจ็บตายได้เป็นเรื่องสมบัติของเราทุกคนทำเอาเอง ให้เห็นมันเห็นอะไรเห็นกายจักว่ากายไม่ใช่จตุคคลตัวตนหล่ขออย่าเอากายไมเป็นตัวเป็นตนโูร่อนกูหนาโกปวดกูมื่อยโกสุขกูทุกข์โกทำได้โูทำไม่ได้เอากายเป็นครื่ั้งเพื่อผูกพันให้เกิดควาเป็นพบเป็นชาติแล้วก็เห็นกายจัก่ากายไม่ใช่จตุคุณโกพ้นไปแล้วเห็นเวทนาเห็นจิต มีไหมมีทุกคนเป็นด่านออกจากก้าแรกทีเดียวเลยพอปั๊บไปเดินไปก็เจอกาย์เปทีมันก็มีเราละก็เวทนาก็มีแน่นอนจิตก็มีนั่งอยู่นี่นอนอยู่นี่มันไม่อยู่มันเคยไหลมันก็ไหลไปก็กลับมาลู่มันไม่ใช่ไปตามจิตได้แต่ จ, จิตมันจะให้สุขให้ทุกข์ ก็จิตมันทุกข์ก็ทุกข์ไปตามความคิดถ้าจิตมันสุขก็สุขไปตามความคิดไม่ใช่ให้เราเป็นใหญ่สติอินทรีย์เป็นใหญ่แต่ก่อนนี้อาจะดัเป็นใหญ่ตาหูจมูกดิน้นกายใจเป็นใหญ่รูปรสจินเสียงเป็นใหญ่แล้วก็แย่งกันไปคนละทิศละทางตาเป็นใหญ่ก็ไปทางตาหูเป็นใหญ่ก็ไปทางหูจมูกดิ้นเป็นใหญ่ก็ไปทาง สิ่งนั้นนั้นปณิอินซี์สตอินรีเนี่ยเป็นใหญ่มันก็สมบุกสมบูรณ์จะลงทันทีอจตนะเป็นที่รับใช้ของติอินซีไปเลยจับมันมาใช้แชมคิดเรื่องใดแชมดูเรื่องใดใจมันเห็นเรื่องใดจับมันมาใช้แต่ก่อนมันใช่เรามันใช่เรามันอยากคิดมก็คิดนี่ไหมฮะ อันความคิดมันมีสองลักษณะอันตั้งใจคิดนี่ไม่เป็นไรเป็นวิชาอันที่ไม่ได้ตั้งใจไปคิดเองเป็นอวิชามีไหมมันคิดขึ้นมาเองไม่อยากคิดมันก็คิดจนนอนไม่หลับมีไหมอันนั้นแหะเป็นตัวสังขารวิสังขารคือเปลี่ยนความคิดเป็นความรู้วิสังขารเปลี่ยนมันแล้วเหมือนหงายท้องเต่ากลยหงายท้องเต๋อไว เวลาเอาต่อมาให้ลูกเด่นนะถ้าเอามันวางไว้เหมือนเดินไปแล้วหงายมันขึ้นซมันก็เดินมาได้ใช่ไหมมันก็เด้วเด้วิสังขารเคยเปลี่ยนไล่เป็นดีตัวสังขารคือมันขยันคิดขยันหลงขยันอะไรไปของหงษ์เองมันก็มีเห็นมันปั๊บสังขารมันเหมือนไปไปไปถึงรักถึงชอบถึงพอใจอะไรต่างๆ วิสังขารเปลี่ยนนั่นมันก็หยุดสังขารลาปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์วิสังข า, งข า, าราขาขา ว, านวินิพพานางังปรมาสวรนิพพานไม่เป็นทุกข์เปลี่ยนเมื่อใดผู้คนเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์มาช่ตัวตนเมื่อนั้นย่อมหนนะ่น่าในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางพระนิพพานมาอย่างนี้ทุกแท้แท้เป็นนิพพานการปรงแต่งนั่นแหละมันดีมันจะได้ เห็นมันตามความเป็นจริงเห็นผิดนั้นจึงมีถูกเห็นวันหนาจึงมีปัญญา